คููบาอาจารย์พระสงฆ์ส0มสิบรูปในวันนี้นะคณะสัตยาติยมลูกลันพระสามสิบองค์วันนี้ไม่มากไม่น้อยพระคงคงจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆละแต่พระจำพรรษาที่วัดหลวงพอปีนี้สี่สิบเล้สี่สิบรูปปีนี้พระจำพรรษาที่วัดป่านาคำน้อยหลวงพ่อแต่บางปีถึงเกือบ5้าสิบ แต่ปีนี้รู้สึกว่าพอจวนจะเข้าพรรษาบางวัดก็พระไม่พอพระน้อยก็ได้ได้ส่งพระไปตามวัดสาขาหลายวัดปีที่แล้วเนี่ยดูดูแล้วพระสามสิบองค์เนี่ยเหมือนกันหนาตานะ <c oughs> เหมือนกันหนาตาแต่ตามวันจริงพระสามสิบรูปไม่มาก เพราะนั้นงานของหลวงปู่ของเราเนี่ยนะหลวงพ่อบอกไว้เลยบอกว่าหลวงพ่องานลวงปู่จามของเราเนี่ยจะมีพระมาะเท่าไหร่หลวงพ่อบอกว่าสามถึงห้าพันเออสามถึงพ่าห้าพันรูปต้องคอยดูนะแต่ว่าวัดของหลวงปู่เนี่ยวัดของหลวงตามหาบัวเนี่ย หลวงพ่อบอกว่าพระจะมาเป็นหมื่นนะคนจะมาเป็นล้านแต่ของหลวงปู่ของเราเนี่ยกระบอกพระเนี่ยประมาณเนี่ยสมถึงห้าพแต่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยหลวงพ่ อ, อว่ากับห้าถึงหกหมื่นห้าถึงหกหมืนคนแต่นีหลวงพ่อพูดแบบย่อมยมไว้นะแต่ในใจของหลวงพ่อน่ยไม่ตำกว่าแสนมันเาไปงานนี่เออ ในใจของหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าคนไม่ต่ำกว่าแสนแต่พระเนี่ยไม่ไมน่าจะเกินหกพันนะห้าหกพันน่าจะพอแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับงานของหลวงตาแล้วก็งานของหลวงตาเนี่ยแปลว่าหนึ่งในสามหนึ่งในสามแล้วหนึ่งในสี่หลวงพ่อกะไว้อย่างงั้นนะแต่ก็คอยดูกันแล้วกันถ้าเราไม่ประมาณงานไม่ประเมินงาน ไม่ไม่ประเมินคนไม่ประเมินพระไม่ประเมินในงานของพวกเราพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเดินยังไงไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นต้องประเมินงานการประเมินงานคํานี้เนี่ยถ้าว่าเป็นบริษัทห้างร้านไหนก็ตามนะเป็นถ้าว่าเป็นลูกน้องของเราเนี่ย เป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ให้ลูกน้องประเมินงานถ้าใครประเมินงานแร้วว่าคาดการงานได้ดีได้ถูกเขาว่าคนนั้นเก่งนะคนนั้นเก่งเพราะอะไรเพราะประเมินงานไม่ผิดพลาดงานออกมาขนาดนี้ต้องจ้องใช้จ่ายขนาดนี้อะไรขนาดนี้อันนี้แปลว่าผู้ประเมินงานนี้ก็เหมือนกันงานของหลวงปู่ของเราเนี่ย หลวงพ่อประเมินประเมินอย่างนี้และลูกหลานนะเพราะ น, นั้นขอให้ลูกหลานพระเนนทุกองค์ณะจตทายาติโยมทุกคนที่เข้ามาช่วยงานของหลวงปู่ให้ตั้งใจเอาไว้เลยว่านี่แหละคนไม่ต่ำกว่าแสนหลวงพ่อประเมินในส่วนลึกๆนะแต่ว่าพูดออกมาให้พี่น้องลูกหลานได้ทราบประมาณ 5-6 หมื่นนะไม่ขาดนะ แต่ว่าพร ะ, ะประมาณ3าหาพั น, นที่จะมาร่วมงานของหลวงปู่ในคราวนี้ครั้งนี้แต่อาจจะเกินในใจหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยในใจหลวงพ่อต้องเกินแต่หลวงพ่อพูดไว้ประมาณนี้ไว้ก่อนแต่ถึงยังไงพวกพวกเราที่พวกอยู่ในหน้างานอย่างพวกเราเนี่แหละอย่างหลวงพ่อเน่เป็นต้นนะ หลวงพ่อก็จะต้องเตรียมพร้อมว่าจะรองรับคนได้มากน้อยขนาดนั้นได้อย่างไรแต่ตามไม่จริงคนขนาดนั้นเราจะมาพักที่วัดของเราหรือว่าพระสงฆ์ขนาดนั้นจะมาพักอย่างไงฮ้พวกเราก็ต้องได้คิดอีกแต่ตามไม่จริงผู้ที่จะมาพักในวัดของเราหลวงพ่อก็ประมาณประเมินไม่อีกเหมือนกันผู้ที่จะมาพักเขาก็รู้ ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่างานของเราเนี่ยคนขนาดนั้นเขาจะไปพักที่ไหนเขาต้องได้คิดอีกเหมือนกันในเมื่อเขาคิดว่าเขาจะมาพักอย่างไงเขาก็จะต้องหาแหล่งข้างนอกแต่โดยมากจะเป็นพระกูบายจารก็จะมีรถของใครของเราที่จะนั่งรถเข้ามาในงานแต่มีแต่พระที่สัญพระจอนมาอันนั้นนะพระจอนมาเนี่ยแหละพวกเราขอคมจะได้หาที่ พักไวเป็นโซนๆไว้โซนไหนจะให้พระพักโซนไหนจะให้พระเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เราก็คงจะเตรียมไว้อีกเหมือนกันแต่สำหรับครูบาอาจารย์เราเราจะต้องเตรียมอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับรถธนารถทันจะมาอย่างไรท่านจะจอดที่ไหนแล้วจะจอดห่างไกลขนาดไหนแล้วกการต้อนรับคณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ไกลนั่น เราจะมีรถรับส่งอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องที่เป็นเจ้าภาพจะต้องได้ช่วยกันคิดมั น, ม, นมันมีหลายนะลูกหลานนะเรื่องงานเนี่ยมันมันมันมันหลายขยะมันหลายแนวเยอะเกิ น, นแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนหลวงพ่อขอย้ําเตือนกับพวกเราลูกหลานทุกคนพระเนรทุกองค์ เ, เข้ามาร่วมทําบุญกับงานของหลวงปู่หลวงตาเนี่ย พวกเราอยาไปคิดอะไรมากฮะไม่ได้คิดว่าอยากจะได้หน้าได้ตาอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะได้มีกิติศัพท์ชื่อเสียงให้คนรู้จักมักหน้าถือตาเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเรามาช่วยบูชาพระคุณของหลวงปู่ของเราให้งานหลวงปู่ของเราเน่ะสำเร็จร่งวงไปด้วยดีเรามีกําลังสติปัญญาของเรามีศรัทธาเท่าไหร่ ทุนทรัพย์ของเราเท่าไหร่เราทุ่มเทเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสําหรับหลวงปู่ของเราถ้าว่าเราจะไปทำมาค้าขายนู่นไปทํามาค้าขายที่อื่นตรงนี้เป็นเป็นที่ทำมาค้าขายบุญเป็นที่ทำมาค้าขายบุญตัวนี้มาสร้างบุญมาสร้างบารมีมาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่ไปที่อื่นเราไปหาเงินหาทอง จะไปทำอะไรกระสุดแท้แต่ที่จะได้เงินทองมาแต่จุดนี้ไม่ใช่เชลแล้วจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราจะต้องสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนี่แหละหลวงพ่อเห็นไปในงานต่างๆพอเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเห็นคนเยอะๆลูกหลานบางคนก็คิดเป็นมิจฉาชีพขึ้นมากีดกระโปงบังกีดกระเป๋าบังขโมยเล็กขโมยน้อยในวัดวาศาสนา เป็นสถานที่ท่านสร้างบุญสร้างกุศลแต่ตัวเองกลับไปทำความชั่วในจุดนั้นบาปอกุศลจุดนี้จะติดพบติดชาติเป็นนานเท่านานนะลูกหลานนะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเหตุไรเพราะสถานนี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราท่านบวดมาเท่าไหร่อายุพรรษาของท่านเท่าไหร่ท่านบาเพ็ญบารมีมาเท่าไหร่ ท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนจิตทา ย, ยาทโยมลูกหลานเท่าไหร่ล้วนแล้วแต่ให้ลูกหลานทำให้เป็นคนดีให้ลูกหลานให้เป็นคนดีให้มีศีลธรรมให้มีจริยธรรมที่ดีแล้วพวกเรามาแหละามาแต่เอาแต่กิเลสความโลภ บ, บังความโกรธบังความหลงบังร า, าคะาบังโทจักบังโมหังามาอยู่ในงานของท่านนะเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลยนะ มันเป็นอภุศนเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะตบคิดที่ดีในจุดนี้นะเรามาสร้างบุญสร้างกุศลอย่างสมัยครั้งพุทธเจ้าของพวกเราเหมือนกันนะมีชายคนหนึ่งไปไปขโมยไปขโมยกลางคืนน่ะไปก็เลยเป็นนอนอยู่กุฏิกุฏิทางเข้าวัดทิงที่หลบหลบนั่ะ แต่ตีนมันก็โผล่ออกมาเพราะว่ามันตีนมันขี้โคลใช่ไหมมันก็ผ้าผมเลยแต่ตีนขี้โคลโผล่ออกมาเศรษฐีเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยเจ้าของวัดเนี่ยกับลูกน้องไปเอ๊ะไอ้ชายคนนี้มันดูดูแล้วมันมันเหมือนมันเหมือนขโมยนะว่าเออมันเป็นขโมยน่ะนะดูได้เลยเท้าของมันอย่างเปื้อนอยู่เนี่ยเออมันไม่ใช่คนดีนะเนี่ยะ เศรษฐีท่านเห็นท่านก็มองแล้วก็เดินผ่านไปพอเดินผ่านไปไอข้ไอขโมยคนนั้นมันก็เปิดผ้าพอเปิดผ้าเรือขึ้นมาก็มาเห็น เ, เห็นเศรษฐีเอา เ, อเถอะเศรษฐีคนนี้มึงทําไมมาหาดูถูกกูขนาดนี้วะกูจะต้องจัดการมึงให้ดีจะต้องจัดการมึงให้ดีต่อไปภายภาคหน้าจากนั้นไอ้ขโมยคนั้นไอ้โจรคนนั้นมันมันคงคิดแต่จะ เพราะมันคิดเสร็จแล้วมันก็ผูกพยาบาทอาฆาตในเศรษฐีต่อมาหนึ่งคนนั้นก็ไปเผาเศรษฐีคนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจกับไอ้ชายคนนั้นน่ยชายคนนั้นก็ผูกอาฆาตพยาบาทจากนั้นก็ไปเผาบ้านเศรษฐีไปเผาเถียงนาเศรษฐีไปตัดขาบัวขาควายของเศรษฐีไปเผาที่ไร่ที่นาเศรษฐีอะไรทีนน่จะให้เศรษฐี บอบช้ํำทํำมดทุกอย่างไว้แคนั้นแหละไอ้ชายโจรคนนั้นพ่ะพอผูกอาคาตเจ็บใจว่าเศรษฐีวันเนี่ยสงสัยคนเป็นขมโมยนแน่เนี่ยไอ้มันขาโผล่ออกมาเนี่ยแล้วมันไม่เป็นคนดีนะเออผลที่สุดก็เลยเจ็ดไอ้ชายหมคนนั้นก็เลยผูกอาคาดเนี่ยเอ้ผลที่สุดก็ทําอะไรก็ไม่เจ็บใจสักอย่างไอ้ไม่ได้เศรษฐีมันลักอะไรที่สุดวะ ลักวัดแล้วนะ่ะลักวัดพระพุทธเจ้านะไปเผาสาลามันพูดน ะ, นะมันไม่ได้คิดธรรมดาเลยเอนักเลงโจรคนชั่วๆนี่นะเจากนั้นก็ไปเผาสาลาพระพุทธเจ้าพร้อมกับะสมพอเผาสาราแบบไหมเลยทีนะเดียวพอไหมสาลาเสร็จแล้วเอเศรษฐีก็ไปไปเห็นไฟไหมสาลาของตัวเองไหมไฟไหมกุฏิไฟไห ม, ไไมวัดเศรษฐีทั้งที่จะเสียใจเลยเสียเศรษฐีโอ้ มันใครนาะเอาไฟมาเผาเลยศาลามาเผากุฏิป่าเผาวัดเลยเอาเถอะเนี่ยเผาไหมแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรข้าเพาเจ้ามีทนอยู่แล้วทําให้ดีกว่านี้เองดีใจอีกต่างหากเพราะจะได้ทําบุญสองครั้งเนี่ยเนี่ยนะคนที่เป็นกุศลเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เสียใจเลยใครจะเผาเผาไปแต่ข้าจะต้องทําบุญ คนนี้สวดเศรษฐีคนนี้เลยทำบุญอีกสร้างอีกหลังบ้านใหญ่สวยงามอีกวกว่าเก่าอีกจากนั้นก็ถวายไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ไอ้นักเลงคนนั้นก็เอาเถอะเออมึงไม่ไม่เจ็บใจเลยข้าวนี่กูจะฆ่าเมืองบัานเนี่เออทำอะไรก็ไม่เจ็บใจสักอย่างข้าวนี่กูจะเอามีดเน็บพกไปเลยก็ไปจ้วงเลยในที่ประชมเลยนะ เ, เศรษฐีก็ถวายศาลาถวายกุฏิ กับพระพุธทธเจ้ากดกระดสะเรียบร้อยแล้วก็ประกาศขึ้นมาแหละเออด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญในวันนี้หรือว่าทําที่ผ่านๆมาแล้วพอดีแต่ว่าผู้ที่เผาสาลาก็ดีผู้ที่ทําร้ายเผาบ้านเผาเรือนของข้าพเจ้าพอดีตัดขาวัวขาควายของข้าพเจ้ากอดีเผาเถียงไรเถียงนานของข้าพเจ้าพอดี ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนคนเดียวที่ผูกพยาบาทอาคาดของข้าเนี่ยเพราะนั้นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระประเจกอะพระพระรหันต์าสาวกทั้งหลายทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยข้าพเจ้าจะมอบให้เขาเป็นคนแรกก่อนนะให้เขาได้บุญได้กุศลเป็นเป็นคนแรกก่อนข้าพเจ้าจะเป็นรับเป็นผู้รับคนที่สอ ง, หงเหมือนเศรษฐีนะอุทิศส่วนกุศลให้ให้นักเลงคนนั้นก่อนเหมืนกั คอนักเลนคนนั้นอยู่ข้างๆนั่น เ, เองได้ยินเท่านั้นแล้วโอ้โ ห, โโหเศรษฐีที่ว่าเขาจะผูกพยาบาทอาฆาตกับขา้าเขายิ่งอนุโมทนากับข้าอีกต่างหากให้บุญกับข้าก่อนอีกต่างหากถ้าว่าข้ามาทํากับคนคนนี้เนะ่ยข้าจะเป็นนรกห ล, ลุมไหนวาจากนั้นคนคนนั้นก็หมอบลงไปกาบเท้าของเศรษฐีเล ย, ยนั่นนะ่ะนักเลงใหญ่ โอ้ยผมขอโทษขออภัยครับท่านเศรษฐีอย่างนั้นอะไรเศรษฐีอะไรฮผมได้ทําสิ่งที่ไม่ดีมากมายหลายอย่างกับท่านเศรษฐีที่ท่านเศรษฐีพูดได้ถูกต้องหมดทุกอย่าง อ, อที่แต่เท้าวัวควายเผาอะไรก็ตามเป็นผมทั้งหมดฝีมือของผมทั้งหมดเพราะนั้นขอผมขอโทษขออภยัยจากท่านเศรษฐีด้วยแต่นี้ต่อไปผมจะขอมอบตัวของผมเอง และก็ครอบครัวของผมเป็นคนรับใช้เศรษฐีตลอดจะเป็นคนดีตลอดขอท่านเศรษฐีรับผมไว้เป็นข้าทาสของท่านเศรษฐีโดยเทิดเศรษฐีโอ้โหนึกในใจนะแต่ขนาดเราพูดเพียงหน่อยเดียวท่านเองก็ยังผูกอาคาตขนาดนี้ถ้าเราเอามาเป็นลูกน้องทามันเจ็บใจขึ้นมานะ่มันจะไม่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นหอกข้างแค่เราหรอ แ, แนะ่ แต่ทโอ้เชติบอก่อายินดียินดียินดีรับนะแต่ไม่เป็นไรหรอกลูกน้องบริวารของผมก็มากอยู่ขอให้ท่านาทำการทำงานเพ น, นะนะแต่ว่าขาดเหลือขาดตกอะไรต้องการอะไรจะให้ผมช่วยเหลื อ, อผมบอกมานะแล้วก็ผมขอโทษขออภัยอย่างมากด้วยที่ผมพูดในวันนั้นพูดด้วยความไม่ตั้งใจพูดแบบง่ายๆไม่คาดไม่คิดว่าคุณจะเจ็บใจถึงขนาดนี้ เอาเถอะผมขอโทษขอภัยอย่างมากนะคุณนะต่อไปก็ไปให้จบจบกันนะเกมกันนะอย่าให้มีโทษมีภัยต่อกันนะเรานะทางนักเกรงหัวไม้กับเศรษฐีก็เลยยกมือไหว้กันแต่คนต่างเลิกลากันแต่บาปกรรมมันไม่ใช่อย่างเพียงแค่นั้นเลยทีเเนี่ย เ, เหมือนกับท่านเศรษฐีบอกว่าท่านไปจับไฟท่านอย่าละครก็แล้วกันนะ จับไฟแดงๆนะท่านอย่าร้อนนะถึงเทศรษฐีจะพูดยังไงก็พูดเถอะไอ้คนที่ไปจับไฟมันก็ยังร้อนวันอย่างค่ำนั่นแหละเพราะเหตุใดเพราะทำกรรมชั่วใช่นั่นแหละพอนายนั้นตายจากชาตินั้นลงไปก็ไปสู่เอเวจีมหานรกน ะ, อะพอพ้นจากเอเวจีมหานรกก็ขึ้นมามาเกิดที่ตีนเขาคิจกูดเนี่ยพโมคคลากับพระลักษณะบินทบาต จากตีนเขาแค่จะขูดลงมามาเห็น เ, เปรตตัวนั้นอะที่มันตกนรกผ่านมาแล้วเป็นเปรตงูหัวเป็นคนแต่ตัวยาวเหมือนกับงูไฟไหม้จากหัวถึงหางไฟไหม้จากหางถึงหัวไฟไหม้จากหัวจากหางเขามารวมกันจุดตรงกลางนี่แหละไฟไหม้อยู่ตลอดเปรตตัวนั้นมีความทุทกข์ทรมานเพราะอะไรเพราะเผา พระคันทกควีของพระพุทธเจ้าเผาศลาของพระพุทธเจ้ากัสปะนะนี่แหละทั้งที่คนทั้งหลายเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลตัวเองกลับมาทําบาปอากุศลในวัดวาศาสนาเพราะนั้นขอฝากไว้กับพระนักทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเข้ามาสู่วัดวาศาสนานควรจะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราแต่ว่าพวกเรามาทํากลับมาทํากรรมชั่วอย่างนั้นนะ่ะ แหมกรรมชั่วแต่นั่นไม่ไปไหนนะแหมกรรมชั่วอย่าทําปซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้ฟังเอาไว้นะคะ่ะนักทายาตรล้มลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อฝากไว้กับพวกเราทุกคนงานของหลวงปู่ของเราเนี่ยต้องทําด้วยน้ําจิตน้ําใจต้องเสียสละด้วยน้ําจิตน้ําใจจริงๆเรื่องโรคหนะัโหมกันะโรคโกรธหลงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทเยทงไว้ข้างนอก ให้พวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันจะเป็นบุญกุศลที่แท้จริงนะอขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนเอะหลวงพรอนะลูกหลานนะบัดนี้นะเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อพีแต่ว่าภาษาบ้านเฮาให้ฟังเมื่อไหรเดาะภาษาไทยให้พวกข้าได้ได้ฟังบ้างนะพอหลวงพ่อในหลายภาษาได้ต่อไปที่บอกภาษาพุทธไทยให้ฟังอีกต่อไป ลับพรนะบัานนี้เนะอุทิศส่วนกุศลนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนะ <c oughs> มาทํางานมาทําบุญก็หลวงปูเนะี่ยเป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลทีเดียวเหมือนกับเละวานเหมือนกับวานพืชพืช ล, ลงในเนื้อนาที่ดีนะ่ะเออข้าวจะต้องงอกเงยข้าจะต้องงามป่วยอไรเพราะเนื้อนาดีนะี่เออทางว่าเข้าไปวานเขาใส่โคกขี่หินแห่บอกป่ายาข่าบอก ปลายหนาก็เม็ดปองเนี่มันที่เขามันจะเกิดได้จังไดแห น, นาวเฮ้าวานลงหน้างามๆามพอ่อนามข้อดีปุ้ยข้อดีที่ดินกด็ดีมันจะต้องงอกเงยสวยงามได้เขาเต็มเม็ดเต็มนวยอันนี้คือกันนั่นแหละแหนวาพวกเฮ้าวานเขาลงในพืชหน้าที่ดีมาทําบุญกับองค์หลวงปู่ของเฮ้านยหลวงพ่อเนี่ยมันใจเกินลอย บุญกุศลจะเข้าสู้จิตใจของผี่น้องลูกหลานทุกขู่ทุกคนเป็นการเสริมบา ร, รมีของผัวเข้าลูกหลานทุกคนแนละตอนนี้ไปพระสงฆ์เจ้าโมทนาให้พร